เจ็ดเดือนบรลุธรรมเดือนที่หกวันที่ย2 2สถึงยบห้าสัมมาวายามะหลายเดือนที่ผ่านมาฉันสังเกตตัวเองอย่างหนึ่งคือเมื่อใดความเพียรตกความเหงาความว้าเหวจะแทรกตัวเข้ามาทันทีเพราะทุกวันนี้ฉันไปไหนต่อไหนคนเดียวไหว้พระคนเดียวถวายสังฆทานคนเดียวไม่มีใครเคียงข้างคอยร่วมบุญ นึกถึงสมัยก่อนที่ยังตระเวนดูหนังฟังเพลงบ่อยโอกาสเกิดความเหงาและอยากคบหาใครสักคนยิ่งมากกว่านี้มนุษย์มีธรรมดาสแสวงหาคู่เคียงจินตนาการวาดฝันอยากได้คนรักแบบนั้นแบบนี้หรืออย่างน้อยก็ต้องเพื่อนร่วมเฮฮาที่ต้องอัธยาศัยกันการดำเนินความเพียรตำลำพงังทั้งที่ใช้ชีวิตคารวะ แถมอยู่ใจกลางเมืองอันเต็มไปด้วยเครื่องรัวผัด ส, สะให้เกิดจินตนาการทางกามนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทําได้โดยง่ายโดยเฉพาะช่วงแรกที่ยังอ่อนปวกเปียกเหมือนปุถุชนธรรมดาทั้งหลายยากนักที่จะเกิดความยินดีเต็มใจประกอบความเพียรมีอาการประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้บังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นและเพื่อรักษากุศลธรรมนั้นไว้ให้ตั้งอยู่ไม่เลือนหายจนยิ่งเจริญงอกงามภัยบูนขึ้นเต็มเปี่ยมแต่ฉันก็ให้กําลังใจตัวเองมาตลอดคิดในใจว่านับหนึ่งใหม่มาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหนทั้งที่เป็นการนับหนึ่งใหม่อย่างใหญ่กับนับหนึ่งใหม่อย่างย่อยกระซิบกับตัวเองเสมอว่าบนเส้นทางนี้ แม้จะต้องล้มลงร้อยครั้งพันหนก็คุ้มที่จะกัดฟันลุกขึ้นยืนใหม่อีกและอีกเพราะในการยืนขึ้นได้เต็มสองขานั้นจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่ต้องกลับล้มลงตลอดไปมองย้อนกลับไปทบทวนดูเห็นความสำคัญของการเพียรพยายามอย่างถูกทางให้ต่อเนื่องนับแต่สร้างราเกาะของสเตในเดือนแรกเบื้องแรกลมหายใจไม่ดีกันทุกคน แต่หากกำหนดสติรู้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องนานพอเอาแค่รู้ให้ได้ว่าเข้าหรือออกลมหายใจก็จะค่อยๆมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆไปเองเพราะในที่สุดสติที่เข้มแข็งนั่นแหละรู้ดีที่สุดว่าจะหายใจอย่างไรให้ถูกต้องถึงวันนี้ฉันไม่ต้องขยันขยอตัวเองมากเพราะเริ่มอยู่ตัวคุนทางขึ้นทางลงเส้นแล้วบอกตัวเองเสมอว่าจิตตกไม่เป็นไร อย่าให้ความเพียรตกก็แล้วกันเพราะถ้าความเพียรยังดีจิตตกอย่างไรเดี๋ยวก็กลับดีตามขึ้นมาเองแต่ถ้าจิตดีแล้วไม่เพียรหรือเพียรไม่สม่ำเสมอตั้งอยู่ในความประมาทอย่างไรธรรมชาติของจิตก็ต้องเสื่อมลงให้เห็นแถมอาจจะตกนานแบบกูไม่กลับเพราะลืมทางเก่าที่เคยผ่านมาเส้นแล้วตามหลักสัญญาไม่เที่ยงถ้าสัญญาไม่เข้มข้นขึ้นด้วยการดาเนินซ้ๆ ก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงแบบเชื่อขนมกินได้เจ็บเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่ยี่สิบหถึงยสิบดสัมมาสติสัมมาสติโดยย่นย่อคือเห็นกายเวทนาจิตและธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความอยากได้อยากมีและความโทมนัสในโลกเสียได้ ฉันไม่จำเป็นต้องสำรวจข้อนี้มากเพราะครึ่งปีที่ผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้จิตเริ่มผุดเด่นเหนือสิ่งอื่นใดทำให้แยกรู้ว่าส่วนใดกายส่วนใดจิตได้ง่ายดดยแม้มีอาการพลุโผลบ้างก็ยังยืนยันกับตนเองได้ทุกวันว่าไม่เคยทะเลทไลายไปนอกขอบเขตกายใจนานคือนับหน่วยกันเป็นชั่วโมงไม่ใช่เป็นวันๆเหมือนช่วงแรกนี่ย่อมเกิดจากความภาคเพียรแม่ย่นยอ่อ กำหนดสติจนเป็นสัมปะชัญญะอัตโนมัติบ่อยๆไม่มีความปรารถนาสิ่งใดนอกตัวแผ่วผ่านเข้ามาเกาะกลุมได้เกินนาทีเพราะแต่และความอยากเป็นอันถูกรู้ถูกเห็นด้วยความเคยชินทั้งหมดทั้งสิน้น